พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะมาอีกแล้วในข่ารายการสันสนาสนิสนสนาค่ะดิฉันสันส น, นาคุณพงษ์ดำเนินรายการนะคะเดี๋ยวจะไปกราสนมัสการท่านจันเพิ่มบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งมีท่านเจ้าอาวาสกิ่หลวงพ่อดออรสะอาดนะคะมาเป็นผู้เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทโธชนะให้กับเราค่ะกราสนมัสการทัานะคะเสถานค่ะก็เมื่อวานนี้ได้ความรู้จากท่านเยอะทีเดียวนะคะ เกี่กับเรื่องของการที่เราไม่ต้องไปหรอกสามารถอยู่กับที่กับทางแล้วก็แสวงหาการปฏิบัติได้เองก็ได้ที่ท่านบอกนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ยังได้กล่าวถึงการปฏิบัติว่ามีข้อควรระวังขณะที่ก่อนได้สมาธิก็ต้องระวังพวกเครื่องกลางกั้นนิวรณ์ห้าง่วงฟุ้งซ่านคิดมากสงสัยหรือเมื่อได้สมาธิอันนี้ก็ต้องระวัง ว่าอยา่าเพลิดเพลินไปกับความสุขนี่สรุปเรื่องเมื่อวานใช่ทีนี้ดิฉันก็เลยสรุปบอกท่านผู้ฟังว่าในชีวิตที่ยุ่งเหยิยงวุ่นวายกับเรื่องอื่นๆก็อย่าลืมกลับมาสนใจตัวของเราบ้างซึ่งอันนี้แหละคือโลกที่แท้จริงพูดไปแล้วก็ตกใจนะคะต้องมาถามท่านอาจารย์ว่าดิฉันพูดผิดไหมว่าเรานี่แหละคือโลกใช่ถูกต้องเลยในกายที่หนาคืบยาววากว้างศอกเนี่ย พระพุทธเจ้าบอกว่าในเนี้ยได้บัญญัติโลกเอาไว้โลกเราอยู่ในนี่ท่านเองน่ยนะไม่ได้มากไปกว่านี้คือคือหมายความว่าคนอื่นน่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะ่ยก็เหมือนกันแต่นะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ของเราเราก็เรียกว่าเข้าใจหมดเลยแต่นะตั้งโลกก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องโลกตรงนี้นะ่ยก็คือเรื่องของขันห้านั่นแหล ะ, นะรูปเบชนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณซึ่งมันอยู่ในกายของเรามัน เป็นระบบการทํางานที่เราเจอมันอยู่ทุกๆวันแต่เราปฏิบัติทําไปเนี่ยเราจะมีความเข้าใจในในเรื่องนี้มากขึ้นนอยู่ในกายในใจของเราท่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องหันมาสนใจเราซึ่งเราคือโลกฟังดูแล้วบางคนอาจจะบอกเมื่อก่อนก็คิดว่าตัวเราเล็กนิดเดียวพอรู้ว่าเราเป็นโลกนี่เท่ได้ไห ม, มเท่ได้ไหมคะถ้ารู้จักโลกกว้างคืบยาว อะไรของท่านเนี่ยคร <c oughs> <c oughs> ับท่านครับสารที่เขาใช้ก็คือมันจะหนาคืบหนึ่งแต่เราลองวัด <c oughs> ดี <c oughs> ดๆหนาคืบ <c oughs> แล้วก็ความกว้างของตัวเราจากไหลอีกข้างหนึ่งไปถึงไหลอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะศอกหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ความสูงของเราเนี่ยเท่ากับหนึ่งบาปี <c oughs> นี่คือเป็นหน่วยที่วัดนะเราจะพอจะวัดได้อย่างนี้ <c oughs> แล้วก็ถ้าคําว่าถ้าเราเข้าใจโลกเนี่ยสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นคือคุณจะฉลาดนะมีปัญญา นะถ้าคําของคุณโยมติวว่าเท่เนี่ยหมายถึงความมีปัญ ญ, ญานี่ก็ใช่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องโลกของเราเนี่ยนะคือคุณมีปั ญ, ญญาขึ้นมาแล้วว่าคุณเข้าใจเรื่องกันท่านั่นเองเป็นคนฉลาดนะค่ะฉลาดฝรั่งเขาอาจจะเรียกสมาร์ทเท่ก็อาจจะสมาร์ทได้งั้นสรุปแล้วใช้ร่วมกันได้เลยใช่ไหมคะผู้มีปัญญาสัมผ <laughs> ัสที่พระเจ้าใช้ก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปัญญ า, ญญาแล้วมีปัญญาอย่างไรคะถ้ามารู้จักโลกนี้ โลตัวเราเราจะเข้าใจความจริงในเรื่องของกายของเราอันดับแรกสิ่งที่เราจะเข้าใจก่อนเลยในเรื่องของกายเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยมันมันมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดลคือ <c oughs> มันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนมันอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้มันอย่างหนึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเราจะเห็นความไม่เที่ยงของมันการที่เราเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยคุณเริ่มมีปัญญาแล้วนะอ่านี่คุณเริ่ม <c oughs> มีปัญญาละมีปัญญาให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะ ปัญญาตรงนี้ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าเราจะต้อง เ, อเรียนจบสูงสูงหรือว่าเข้าใจาพระไตรปิฎกทั้งสามปิฎกนะอ่านหมดทุกหน้าก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นความเข้าใจง่ายๆเรื่องเห็นความไม่เที่ยงต น, น, นเองในอย่งผู้ที่มีความทิฐิเห็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วในเรื่องของ เ, อเรื่องของขันห้าเนี่ยเห็นอยู่อย่างถูกต้องแล้วนี่คุณมีคุณสมบัติของความเป็นโสดาบันเลยทันทีนโซดา<ช>บันเนี่ยหมายถึงอระยะบุคคลขั้นแรกขั้นที่หนึ่งนะค่ะทีนี้ ความรู้ที่ท่านบอกว่าจะใช้คําพูดอย่างที่ดิฉันบอกเท่ก็ได้แต่พระพุทธองค์เนี่ยใช้คำว่าปัญญาอืมเมื่อเรารู้เรื่องโลกเกี่ยวกับตัวของเราเองดังว่านี้แล้วพอตัวไหมคะที่จะไปใช้กับเรื่องอื่นด้วยเช่นสมมติเป็นผู้บริหารอืนะคะรู้โลกอย่างชนิดที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเอาความรู้นี้ไปใช้ได้ในการบริหารหรือไม่คะโอ้นี่โดยชฉางยิง่ง คนที่อยู่ในชนชั้นปกครองพร้าราชการระดับสูงผู้บริหารในบริษัทอย่างเงี้ยนะยิ่งะจะต้องมีธรรมะมากๆเลยนะเอาอันดับแรกก่อนทอําไมถึงว่ายังงั้นนะเพราะว่าจะต้องเป็นคนที่เจอภาษามากถูกไหม<ะ>ลูกน้องเดี๋ยวโทรมาลูกค้าโทรมาเจ้านายโทรมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ประชุมวันหนึ่ง4 5่ครั้งนะโทรศัพท์นั่นนี่เลขาพูดอย่างนึงคนนั้นว่ายอย่างงี้ข่าวทีวีไปอย่างนั้นนะมันมีภาษามากคนที่มียิ่งมีได้รับภาสามากเนี่ย ถ้าเพราะว่าจิต ใ, ใจไม่มั่นคงนะคุณก็จะถูกลากดึงไปทูกลู่ถูกลักกลงไปตามสิ่งที่มากระทบลูกน้องว่างี้<อ>เดี๋ยวเปละไอ้ลูกพี่ว่างี้กัไปทางนั้นอีกนะโทรทัชบ้างงั้นกับเบี้ยวไปทางนู้นอีกนะจึงจึงถ้าจิตไม่มีกําลังนะจิตไม่มีกําลังนี้จะเปแน่นอนนะจะไม่สามารถที่จะรักษาจิตไว้ตรงนั้นได้แต่นี้พอเริ่มเปแล้วงามก็จะมีกับผลกระทบแล้วนะเพราะฉะนั้นจึงจะต้องทําความเข้าใจว่าเฮ้ถ้าจิต เราเข้าใจเรื่องจิตของเราแล้วดีแล้วเนี่ยแล้วเราทําจริตของเราให้ตั้งมั่นไว้ได้นะคือสามารถให้เป็นอารมณ์อันเดียวได้เจอสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นเนี่ยจิตมันเป็นตัวของมันเองเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาทําความเข้าใจการงานที่อยู่เฉพาะหน้านเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ดีแน่นอนนอกจากดีสําหรับตัวเองการงานแล้วเนี่ยคนรอบข้างก็จะได้ผลกระทบที่ดีด้วยนะเพราะว่าคนที่เป็นอยู่ในระดับผู้บริหารเนี่ย จะต้องสื่อสาังคคนมากนะพอตัวเองเป็นคนที่มีธรรมะแล้วมีความรักความเมตตามีอารมณ์ดีมีใจดีแล้วเนี่ยคนที่เราไปติดต่อด้วยคนที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยก็จะได้รับกระแสต ร, ตรงนี้ออกไปด้วยนะเราเคยเห็นเจ้านายคนที่แบบโอ้ยด่าเช้าด่าเย็นนะลูกน้องนี่แบบโอ้ยลาสัม brasai ไปหมดนะ ใ, ในทางตรงข้ามเราเคยเห็นผู้บริหารคนที่แบบมีความรักความเมตตามีความ เ, เห็นอกเห็นใจนะลูกน้องนี่ก็สบายใจเย็นใจไปหมด ก็มีนะค่ะดยฉันอยากกลับเรียนถามท่านอย่างนี้นะคะว่าคนพอพูดถึงว่าจะมีคนรอบข้างเข้าวัดเพื่อไปหาความสงบจิตสงบใจไปหาธรรมะจะดีใจนะคะดีกำลังจะไปหาสิ่งที่ดีก็ดีใจด้วยแต่พอเข้าไปนานๆไปบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ อืก็อาจจะเกิดการว่าเอ๊ะนี่ไปหลงพระหรือไงอืไปมีโมหะอะไรอเงี้ยนะคะเลยนี่ก็คิดว่ามันก็ต้องมีปนๆกันอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าเวลาออ่ถ้าเป็นอย่างทางโลกโลกเวลาไปชอบอะไรคลั่งคล้เด็กคลั่งคล้ดาราผู้ใหญ่ก็ชอบมอเตอร์ไซค์ก็คลั่งมอเตอร์ไซค์ชอบรถโฟกก็คลั่งรถโฟกัสอะไรเงี้ยนะคะท่านสังเกตว่ามีหรือไม่และท่านมีคําแนะนําอย่างไรในการที่จะเข้าไปแล้วให้ใครเขาค่อนว่าไม่ได้ ตรงนีมน้มันมีแง่มุมว่าอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างที่คุณโยมติวพูดถึงอย่างงานในทเกอย่างเงี้ยเข้าไปแบบทั้งเมาหมกมุน่นงานการอื่นไม่ทำมีความเสียหายเกิดขึ้นทำให้เขาจึงต้องมีความคิดในลักษณะนั้นทีนี้ถ้าในกรณีของธรรมะเนี่ยมันเป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไงนะคือคือมีมากแล้วนะไม่ใช่ว่าจะไม่ดีมีมากแล้วมันมีแต่ดี นะคือถ้าเราทําถูกปฏิบัติถูกแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปหาพระเข้าวัดแล้วประบอกว่าปฏิบัติผิดทําไม่ถูกนะอันนี้ก็คือจะมีข้อเสียแน่นะเช่น ว, ว่าเราจะไปอย่างที่คุณโยมติว่าหลงคนนั้นแล้วก็แบบอาจจะมีการเบียดเบียนคนอื่นใช้เงินบริจาคมากเกินไปอะไรต่างๆแต่ถ้าเราทําถูกแตนะ่ทำถูกในที่นี้คือไม่ใช่ว่าคุณจะเอาแต่บุญโดยที่ไม่ได้ละบาปนี่คือต้องระวัง หมายความว่าถ้าเราจะสร้างแต่บุญนั่งสมาธิสร้างบุญสร้างบุญเอ๊แต่บาปเราไม่ได้เอาออกอันนี้ต้องจะเป็นข้อเสียนะ <Okay. S 1> เพราะว่าเราอาจจะเมาบุญตรงนั้นได้นะถ้าเราเมาบุญนะมันก็จะเริ่มเป็นความหลงความที่ไม่ดีละค <Okay. S 1> มันจะต้องเอาทั้งละทั้งบาปนะเอาทั้งบุญนะพระเจ้าเป็นคนบอกเองตอนนั้นอยู่ใต้ต้นโพนะยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ บอกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายไม่อิ่มไม่พอนะเป็นโพธิสัตว์ตอนนั้นนะ่ะคิดดูค่ะซึ่งในความไม่อิ่มไม่พอในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาพูดถึง2 ส, ส่วนนะัคือเรื่องของบุญด้วยนี่แน่นอนนะมีสมาธินี่แน่นอนในขณะเดียวกันเรื่องการละเจ้าอากุศลต่างๆเราก็ต้องทําด้วยนะละนิวรณ์ละความตรณนะีละไอเรื่องความคิดที่ไม่ดีเราต้องละออกด้วย มันจะช่วยเครือกูลกันตรงนี้สองอย่างค่ะมุมนี้น่าสนใจนะคะคือดิฉันสังเกตว่าคนไปทำบุญก็มักจะคิดในลักษณะที่เหมือนกับไปทำในสิ่งใหม่ที่ดีแต่ว่าไม่ค่อยมีใครนึกว่าไปเข้าวัดเนี่ยละบาปละยังไงกันนะคัเอ่อสิ่งที่เป็นบาปทำความเข้าใจนิด น, นึงก่อนนะเช่นเอ่อความความยึดถือนะสมมติถ้าเรายึดถือในสิ่งที่ดี อันนี้เป็นบาปบาปตรงไหน <Okay. S 1> บาปตรงที่ยึดถือเข้า <Okay. S 1> ใจไหมแต่สิ่งดีมันดีแน่นะถ้าเรายิ่งมีความดีมากความยึดถือนี่ยิ่งมากนะถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างนั้นถ้าคุณยังไม่ละบาป <Okay. S 1> หรือ2พูดถึงว่ามีความยึดถือมีตัณหามีอวิชชาเนะี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องละทั้งสิน้นนะบาปพวกนี้ต้องละทั้งสิน้นนะแล้วก็ความลุ่มหลงสมมุติมีสมาธิ อ้าแต่ถ้ากลับไปลุ่มหลงเพลิดเพลินในสมาธินั้นอ้าววันนี้ก็คือคุณเพลินละเพลินนี่มันไม่ดีมันคป็นของที่ต้องละอย่างนี้ไปต่อซึ่งเราจะละได้เราจะสร้างบุญได้เราจะละได้กระบวนการตรงนี้คื อ, ค, อคือเราละเราวางแล้วเราสร้างบุญเราละบาปแล้วเราสร้างบุญเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการก้าวไปข้างหน้านะซึ่งร่องรอยที่เกิดจากการก้าวไปข้างหน้าตรงนี้คืออริยามรรคมีองแปดถ้าเราปฏิบัติตามมรรคมันเป็นทางใช่ไหม ทางคือมันต้องมีการไปการไปมันก็ต้องมีการที่เราปล่อยขาหลังเดินก้าวข้างหน้าปล่อยขาหลังก้าวไปข้างหน้าอย่างนี้ไปเป็นอย่างนี้<อ>ไปเป็นสเต็ป้วก็เป็นทางขึ้นมามาร์กอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ต้องไปคิดตัวเองเดินตามอริอรยมารมากเลยถูกต้องบนเส้นทางนั้นมีทั้งการละบาปและสร้างบุญอยู่ในตัวใช่ใชค่ะแล้วกระบวนการนี้เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะว่าเวลาที่เราไปวัดเท่านั้นนะ เราอยู่บ้านที่ทำงานเนี่ยจะเห็นว่าในมรรคแปดก็มีเรื่องของสัมมาอาชีว ะ, ะมีเรื่องของสัมมาวายามะการที่เราขยันทำงานอย่างขยันขันแข็งนในที่ทำงานคุณพูดดีกันมีความรักความเมตตาให้กันพูดเอื้อเฟื้อกันอันนี้ก็เป็นสัมมาวาจามันก็ทำได้อยู่ตลอดค่ะเท่ากับว่าปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวเลยใช่ทาไม สัปดาห์นี้เวลาผ่านไปเร็วทุกวันเลยนะคะเราพูดเรื่องกา ร, รปฏิบัติเนี่ยสิ่ไ็ได้เวลาที่จะลาท่านอาจารย์อีกแล้วคทพกล่าววัสการขอบพระคุณมากเลยนะคะเทพภัณฑ์ต้นปังที่ครบค่ะวันนี้ท่านพระบูรก็ให้แง่ธรรมกับเราที่ดีอย่างยิ่งเลยคะ่ะคือทําให้เราได้รู้ว่าเราเนี่ยแหละคือโลกรู้แล้วเท่เลยแต่จะเท่ได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจโลกอย่างถูกต้องและปฏิบัติให้เกิดปัญญาพระพุทธองค์ตรัสเรียกในความเข้าใจในโลกแล้วทําให้เกิดความฉลาด จะมีปัญญาขึ้นนะคะและถ้าสมมุติว่าเร า, าจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขก็ต้องมีความฉลาดในเรื่องของผัสสะนะคะอย่าให้ผัสสะของเรานั้นทําให้เกิดความเสียหายการเข้าวัดอย่าคิดว่าไปสร้างแต่บุญอย่างเดียวจะต้องละบาปด้วยเพราะสร้างบุญอย่างเดียวจะทําให้เกิดเมาบุญ และยึดถือสิ่งที่ดีในส่วนที่ยึดถือนั้นสรุปเรียกว่าบาปทางที่ดีและปลอดภัยที่สุดพระพุทธเจ้าทำทางให้แล้วนั่นคือมรรคมีองค์แปดเดินตามนั้นจะทำได้พร้อมกันคือละบาปสร้างบุญไปในตัวพบกันในในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ขอให้วันเสราร์อาทิตย์เป็นวันที่ท่านได้ฝึกซ้อมนะคะอยู่กับโลกให้มากอยู่จนเท่ให้ได้ให้เกิดปัญญาให้ได้ แล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะคุณทวัสสวัสดีค่ะ